มงกุฎไพรเล่มสาตอนที่194เมื่อนั้นดารินจึงสงบอาการโกรนกระวายใจลงได้แต่เก็บความกังขาพิศวงไว้ในใจเงียบๆสังเกตดูพี่ชายกลางกับชายยันก็ไม่เห็นมีใครแสดงท่าทางข้องใจอะไรมากนะักที่ยังไม่มีโอกาสได้พบเห็นแง่ายในขณะนี้ทุกคนพากันไปให้ความสนใจกับส่างปากันหมด พูดเล่นหยอกล้อสอบถามสารทุกสุขดิบกันอยู่ตรงตำแหน่งนั้นอีกพักใหญ่หลังจากราชินีเมยานีเสด็จจากไปแล้วท่ามกลางนางกำนันข้าหลวงและชาวพนักงานกลุ่มใหญ่ที่ยืนยิ้มแย้มรอคอยให้การปรนิบัติรับใช้อยู่ทำให้ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกลับมาบ้านเก่าของตนเองฉะนั้นมิได้ทาให้รู้สึกกังวลหรือแปลกตื่นต่อสถานที่อย่างใดทั้งสิ้น นอกจากกลุ่มลูกหาบสิบคนที่เพิ่งจะมาได้พบเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งแม้บัดนี้ก็ยังพากันตื่นตื่นงงๆเหมือนตกอยู่ในสภาพความฝันอันจะเชื่อเสียไม่ได้กันอยู่เช่นเดิมสภาพของแต่ละคนของลูกหาบเหล่านั้นเงอะงะประมาททำอะไรไม่ค่อยจะถูกและหน้าที่ลูกหาบแบกภาระสิ่งของของพวกตนนั้นดูเหมือนจะหมดสิ้นไปแล้ว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 ลากเข้ามากอดไว้ยิ้มร่าฮ่าฮไอสางปาขี้ลิงของนายแมปมาเรียเป็นวาสนาชะตาดีของเองแท้แท้ทีเดียวโว้ยที่มามีบุญญาบารมีเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในมรกตนคร น, นี่ข้าคิดถึงเองจริงๆตั้งแต่จากกันวันนั้นคิดว่าชาตินี้คงไม่ได้พบกันอีกแล้วก็ยังได้กลับมาพบกันอีกจนได้ เองต้องเลี้ยงดูข้ากับพวกเจ้านายให้ดีแล้วไอ้ชุดอมาตะใหญ่ของเองที่ใส่อยู่นี่มันช่างโก้ซะจริงๆเห็นทีแรกแต่ไกลข้านึกว่าเทวดาที่ไหนมายืนอยู่ซะอีกที่แท้ก็ไอ้ขี้ลิงนี่เองการรัดด้วยปลอกแขนราวกับงวงช้างของขยินแทบจะทำให้สางปาต้องตาเหลือกตัวมันเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับขยินเกลเก่าไอแค่ๆหน้าเขียวอยู่เพราะขยินรัดคอ พรานเท่านนานอินจุปากลั่นเอามือตบก้านคอขยินเข้าฉาิใหญ่ตวาดมาเบาๆทุดไอขยินเองรัดคอจนไอสั่งปลามันหายใจไม่ออกปล่อยมันได้แล้วไม่ต้องไปกอดคอมันอยู่ยังงั้นหรอกไอ้เวรเรียวแรงยักะแรดสั่งปลามันตัวเท่าลิงเท่านั้นขยินจึงคลายวงแขนออกสั่งปลาถอนใจเฮือกออกมาได้ทำหน้าบ้องแบ้วเอามือลูบคอป้อยๆเพราะแทบคอหักเมื่อกี้นี้ พูดมาอู้อีไอ้ควายขยินเห็นหน้าเองครั้งแรกข้าก็ดีใจจนบอกไม่ถูกแต่ตอนที่เองกอดคอข้านี่ข้าอยากให้เองลงนรกไปเสียแล้วรู้แล้วรู้รอดไม่นึกเลยว่าจะตามเจ้านายมาถึงที่นี่ได้อีกทุกคนที่ได้ยินพากันหัวเราะกันขึ้นอย่างขบขันในการพูดจาทักทายระหว่างขยินกับส่างปาหนานอินรูมหัวแพทย์ใหญ่ประจําราชสํานักมรกรกรกรอย่างเอ็นดูบรรยากาศ เต็มไปด้วยความแช่มชื่นโส ม, มนัสและต่างสังเกตเห็นได้ว่าอดีตคนใช้เก่าของมาเรียมีผิวพรรณน้ำนวลดีขึ้นกว่าสมัยที่ยังตระเวนอยู่ตามป่าดงมากสแสดงว่าชีวิตมีความสุขสมบูรณ์ขึ้นทั้งกายและใจตลอดจนได้รับการฝึกฝนอบรมให้กลายเป็นขุนนางในราชสำนักมรกกนครไปแล้วเป็นที่เคารพนับถือและยำเกรงแกบ่บรรดาข้าราชบริพารทั้งฝ่ายนอกฝ่ายในทั้งหลาย สมศักดิ์ตำแหน่งแพทย์หลวงจากความเมตตาปราณีชุบเลี้ยงของกษัตริย์ผู้ครองแผ่นดินโดยการรับรองในฐานะเจ้าภาพของส่างปาคณะทั้งหมดได้เข้าพักอยู่อย่างปราสาทท้ายอุทยานแห่งนั้นเยี่ยงราชอาคันตุกะผู้ทรงกีติยศของจักรราชภายหลังจากอาบน้ำชำระร่างกายและผัดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายใหม่เรียบร้อย ทั้งหมดก็ออกมาพบกันอย่างห้องที่เพียบพร้อมด้วยโภชนาการชั้นสูงอันประดับไว้อย่างวิจิตรงดงามเพียบพร้อมด้วยเหล่าพนักงานนางกำนันคอยให้การรับใช้บริบัติไปทุกฝีก้าวนับตั้งแต่ได้เหยียบย่างเข้ามาถึงปราสาทรับรองแห่งนี้โอกาสนี้เองทั้งคณะได้พบปะใกล้ชิดกับสางปลาอีกครั้งหนึ่งระหว่างรับประทานอาหารมือร้อกลางวัน เจ้าอาดีตพรานป่าเผ่าตองซูมีอาการสลดผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดเมื่อทราบว่านายสาวคู่ชีพของมันมาเรียอฮอฟมันไม่ได้มาด้วยกับคณะและชายยันเป็นผู้อธิบายให้ทราบโดยละเอียดว่านายแหม่มของมันเพิ่งจะให้กำเนิดบุตรชายก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางจึงไม่อาจร่วมทางมาด้วยได้แต่ได้สั่งการให้เขาเดินทางมากับพักพวกในครั้งนี้ด้วยจิตใจอันเด็ดเดียวกล้าหาญฉันรู้ ว่าเจ้าคงจะผิดหวังมากเมื่อไม่ได้เห็นนายแหม่มมาเรียรแต่ฉันและพวกเราทุกคนก็มาแทนแล้วและนายแหม่มก็มีความสุขมีสุขภาพที่ดีรวมทั้งลูกชายที่เกิดใหม่ด้วยชายานเอ่ยขึ้นอย่างโอบโยนเมื่อมองเห็นอาการที่เศร้าซึมลงไปของสางปาภายหลังเมื่อเขาได้เล่าความทั้งหมดให้ฟังเกี่ยวกับมาเรียฮอฟมันเป็นการดีแล้วที่นายแหมมไม่ได้มาด้วยเพราะเพิ่งคลอดลูก แต่สร้างปาก็คิดถึงอยากเห็นนายแม่มอยากเห็นลูกชายของนายแม่มด้วยสร้างปลาพึมพำออกมาเบาๆทุกคนมองดูอย่างเห็นใจเพราะทราบถึงความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟน้นระหว่างสางปลาและมาเรียรโดยตลอด สิ่งที่ชายยันจะชดเชยให้ได้ในขณะนี้ก็คือควักเอารูปภรรยาและบุตรชายเพิ่งเกิดของเขาซึ่งเขาเป็นคนถ่ายไว้พร้อมกันทั้งแม่ลูกบนเตียงก่อนที่จะออกเดินทางมาและได้นำติดตัวมาด้วยส่งไปให้สางปาดูแลบอกให้เก็บไว้สางปารับไปดูอย่างตื่นเต้นยินดียิ้มออกมาได้มันเป็นภาพของมาเรียนอนอยู่บนเตียงกาลังประคองทารกน้อยหน้าตาน่ารักเอาไว้ในอ้อมแขน นายน้อยของสั่งป่าน่ารักต่อไปโตขึ้นจะเป็นนักต่อสู้ที่ดีเหมือนพ่อและแม่เสียดายที่สั่งปาไม่มีโอกาสได้เห็นตัวจริงแพทย์หลวงประจำราชสำนักมรกรกนครพูดออกมาอย่างชื่นชมและได้พินิจดูรูปภาพนั้นอยู่เป็นเวลานานถ้านายแหม่มไม่ติดขัดเรื่องคลอดลูกและต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ก็คงจะเดินทางมาด้วยในครั้งนี้แล้วสั่งปาเชิด้าเอ่ยขึ้น อ่อนโยนและนายแหม่มก็คงยินดีมากถ้ารู้ว่าสร้างปลาอยู่กับจักรราที่มรกรนครนี่มีความสุขดีสร้างปานั่งเหมรลอยทำหน้าเป็นสากระเบือดินเหมือนเดิมและพูดออกมาเหมือนรำพึงสร้างปลาอยู่อีกโลกหนึ่งนายแหม่มก็อยู่อีกโลกหนึ่งชาตินี้เราคงไม่ได้พบกันอีกแล้วถ้านายแหม่มมีความสุขดีสร้างปาก็ดีใจ นายแมมเป็นคนอนุญาตให้สางปลาอยู่กับจักรราชที่มรกรนครนี่เองสางปลาก็รู้ว่าถ้าตามนายแมมกลับไปก็จะเป็นภาระลำบากของนายแมมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกสางปลาอนุชาเอ่ยขึ้นมาในน้ำเสียงปลุกปลอบใจ ทุกคนทุกชีวิตในโลกนี้มีภาระหน้าที่มีทิศทางที่จะเลือกเดินด้วยตนเองทั้งนั้นนายแหม่มคงเห็นแล้วว่าส่างปลาจะมีความสุขอยู่ในมรกรนครนี้มากกว่าที่จะไปติดส้อยห้อยตามนายแหม่มอยู่อีกอย่างหนึ่งแงาซายหรือจักรราชก็เมตตาปลาณนส่างปลามากถึงกับออกปากขอตัวส่างปลาไว้ไม่ใช่ว่านายแหม่มทอดทิ้งส่างปลาหรอก ถูกต้องนายแหม่มไม่ได้ทิ้งสางปลาหรอกเขาเลือกวิถีทางชีวิตที่ดีที่สุดให้แก่สางปลาแล้วดารินเสริมาอีกคนอย่างหนักแน่นขณะที่เอื้อมมือมาลูบหลังเจ้า อ, อดีตพรานตองสูเบาๆสางปลาฝืนยิ้มน้ำตาที่คลออยู่ในเบ้าค่อยๆเหือดแห้งไปมีอาการกระปรี้กระเปร่าขึ้น เอ็งอยู่ที่นี่เอ็งมียศมีเกียรติมีสักมีศรีถ้าเอ็งขืนตามแหม่มกลับไปเอ็งมันก็ไอสางป่าขี้ลิงอยู่ตลอดชาตินั่นแหละถึงนายแหม่มจะรักเอ็งสักขนาดไหนก็ตามทีนันอินพล่องบอกมาอีกคนเจ้าพรานตองสูหันไปทางชัยยันสางปาขอฝากนายแหม่มมาเรียวไว้กับนายทหารชัยยันด้วยขอให้อยู่เป็นผัวเมียกันตลอดไป และถ้ากลับไปก็บอกด้วยว่าสาา่างปายังระลึกถึงนายแหม่มตลอดไปไม่มีวันลืมชัยยันยิ้มไม่ต้องห่วงฉันจะรักและอยู่กับนายแหม่มมาเรียของส่างปลาตลอดไปจนกว่าเราจะตายจากกันทีเดียวสบายใจได้ส่างปาพยักหน้าลงนิดหนึ่งอย่างพอใจ การมาอยู่ในราชสำนักร ม, มรกรกนครในฐานะแพทย์หลวงดูจะทำให้มันฉลาดขึ้นกว่าเดิมมากบัดนี้ส่างปาได้แล่นิ่งไปทางดารินวราริตแล้วคำถามทะลุดออกมาจากปากก็ทำให้ทุกคนถึงกับตะลึงงานไปเมื่อมองเห็นนายหญิงดารินส่างปาก็อดไม่ได้ที่จะคิดไปถึงพรานใหญ่รบพินตอนที่ส่างปายืนรอคอยอยู่หน้าปราสาทแห่งนี้ เพราะได้รับข่าวว่ากองทัพม้าของราชนีเมยานีไปรับคณะของเจ้านายเก่าเพื่อเชิญเข้าสู่เมืองและจะมาถึงในเที่ยงวันนี้สร้างปาแลไปแต่ไกลเห็นทหารนำหน้าคณะเจ้านายทั้งหมดมาก็คิดว่าคงจะได้เห็นกันพร้อมหน้าหมดทุกคนเมื่อคณะของเจ้านายใกล้เข้ามาจนถึงสร้างปามองเห็นแต่นายหญิงดารินนายใหญ่พรานชดลุงอิน นายทหารชา ย, ยันแล้วก็ไอขยินแล้วพรานใหญ่ระพินกับไอ้ลิงสี่ตัวแก่สองตัวหนุ่มสองตัวของพรานระพินไม่ได้มาด้วยหรอกหรือสําหรับนายแม่มมาเรียก็ไม่ต้องพูดถึงอีกแล้วเพราะสั่งปาเพิ่งมารู้ว่าคลอดลูกมาด้วยไม่ได้เชษฐาดารินอนุชาและชา ย, ยันหันมองศบตากันนี่แสดงชัดว่า สปลาไม่ได้ทราบหรือแค่ระขายอะไรเลยทั้งสิ้นโดยเข้าใจไปว่าคณะที่เดินทางมาถึงจะต้องมีรพินไพรวันและพรานคู่ใจของเขาสี่คนร่วมเดินทางมาด้วยมิฉะนั้นแล้วจะไม่เอ่ยถามออกมาแบบนี้เลยท่านหัวหน้าคณะเม้มริมฝีปากนิดหนึ่งเอานิ้วข้อกับขอบแท่นหินอ่อนอันเป็นที่วางอาหารอันเต็มแท่นมากมายนั้นเบา อนุชากรอกจอกน้ำเมรยัยที่นางกำนันรินมาประคองส่งให้เข้าไปจนหมดไปเกือบครึ่งและป้าเชรฟรินฝิปากนิ่งเงันอยู่ชายันนั้นเอามือลูบ ป, ปลายคางวางขาแกะย่างลงชา้าช้าและดูเหมือนจะอิ่มเลยในทันทีนั้นส่วนดารินเอามือคีบสันจมูกของตนเองหลับตาลงระหว่างที่ทั้งสี่นิ่งงันกันไปนั้นเหมือนจะยังเอ่ยอะไรออกมาไม่ถูกนันอินก็เอ่ยมาด้วยเสียงต่ำลึกของแกว่า ไอ้สางเองเออถึงพรานใหญ่ระพินขึ้นมาก่อนก็ดีแล้วพวกข้าก็อยากจะถามเองเหมือนกันว่าเองหรือพวกเองทั้งหมดที่อยู่ในนี้ไม่มีใครรู้ข่าวพรานระพินบ้างเลยหรือสีหน้าของสางปาซอแววสงสัยรู้ข่าวพรานระพินรู้ยังไงพรานระพินไม่ได้มากับพวกเราที่มาด้วยกันนี่นานอินพูดชา้ามองตามันขมิงแต่เข้าล่วงหน้ามาก่อนพวกเรา ก็น่าที่จะมาถึงมรกรนคอนี่ก่อนหน้าเราแล้วราชนีเมยานียังไม่ยอมบอกพวกเราเหมือนมีอะไรที่ยังอยากจะปิดปิดบางๆอยู่แต่เองกับชาวมรกรนครทั้งหลายก็ต้องรู้บอกมาตามตรงดีกว่าพรานรพินกับไอ้ลิงสี่ตัวของเขามาถึงที่นี่ก่อนแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนถ้าเองไม่ยอมบอกมาตามจรงิงข้าจะให้ไอ้ขยินมันเขย่าคอเองจนกว่าเองจะพูดออกมา พรอหนันอินคาดคั้นมาจบคําขยินก็เอามือตบแขนอันเต็มไปด้วยกล้ามของมันดังตุบๆส่างป่าอ้าปากหวอกับพริบตาอยู่ปริบๆครางออกมาลุงอินส่างปาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับพรานระพินที่ถามก็เพราะนึกว่าพรานใหญ่มาด้วยกับคณะเจ้าไหนทั้งหมดพอไม่เห็นมาด้วยก็สงสัยถามขึ้นนี่พรานใหญ่ล่วงหน้ามาที่นี่ก่อนแล้วหรือทําไมส่างปาถึงไม่รู้ไม่เห็น และไม่มีชาวมรกรนครคนไหนรู้เห็นทั้งนั้นขยินขยับตัวแยกเขี้ยวขู่ดารินคว้ามับทิก้านคออันหนาทึบของเจ้านกเลงโตหลมช้างไว้และพูดขึ้นด้วยเสียงปกติของหล่อนว่าขยินและลุงอินอย่าไปขู่อะไรสางปลาเลยฉันสังเกตดูว่าสางปลาจะไม่รู้อะไรจริงๆและระพินกับคณะของเขาก็ยังมาไม่ถึงที่นี่อย่างแน่นอนมิฉะนั้นชาวมือจะต้องรู้บ้าง แต่นี่ไม่เห็นเขาเงื่อนเลยว่าพวกนี้จะรู้และไม่มีอาการสออพิรุษว่าจะแกล้งปกปิดเราด้วยระหว่างที่เราผ่านประตูเมืองเข้ามาพวกชาวเมืองโห่ร้องต้อนรับพวกเราตะโกนเรียกชื่อพวกเราที่เคยมาในครั้งก่อนครบทุวนชื่อทุกคนและได้เอ่ยเรียกนามของรับพินด้วยแสดงว่าเขาเข้าใจว่าในคณะของเราจะต้องมากันครบชุดเหมือนอย่างที่สางปาเข้าใจในแต่แรก นั่นก็แปลได้ชัดว่ารพินไม่ได้มาถึงที่นี่ก่อนหน้าพวกเราอย่างที่คิดกันไว้แต่แรกแน่นอนแล้วฉันคิดว่าปัญหาในเรื่องที่ว่ารพิน์อยู่ที่ไหนขณะนี้มาที่นี่หรื อ, อยังก็ยังเป็นรองไปกว่าปัญหาว่าแง่ทรายเวลานี้อยู่ที่ไหนกําลังทําอะไรอยู่จนกระทั่งบัดนี้แล้วทําไมเรายังไม่ได้พบแช่ฐาและทุกคนในที่นั้น แลไปทางแพทย์หลวงประจาราชสำนักมรกรกครเป็นตาเดียวแล้วชั่วขณะหนึ่งต่อมาท่านหัวหน้าคณะก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนนุ่มนวลว่าส้างปาเจ้าได้รับคำสั่งจากใครที่ให้มาคอยรอพบและทําหน้าที่ต้อนรับพวกเราอยู่ที่ปราสาทท้ายอุทยานนี่ส้างปาได้รับคำสั่งจากราชินีเมยานีให้มาคอยรับพวกเจ้านายทั้งหลายอยู่ที่นี่ คำตอบนั้นดูซื่ อ, อตรงไปตรงมาตามลักษณะเดิมของสั่งปาสั่งเจ้าเมื่อไหร่นานมาเท่าไหร่แล้วสามวันมาแล้วก่อนหน้าจะเสด็จออกไปพร้อมกับกองทัพมา้าได้มีคำสั่งให้สั่งปาและพวกชาวพนักงานทั้งหลายจัดตรเ ต, ตรียมปราศาททายอุทยานแห่งนี้ไว้ให้พร้อมให้เตรียมชาวพนักงานสาหรับคอยรับใช้เอาไว้ด้วยเพื่อให้สะดวกพร้อมสับทุกอย่าง รับสั่งให้สางปลาทราบล่วงหน้าว่าเที่ยงหรือบ่ายของวันนี้คณะเจ้านายจะเดินทางมาถึงที่นี่และพักอยู่ในปราสาทแห่งนี้เหมือนเมื่อครั้งก่อนให้สางปลาทำหน้าที่ต้อนรับและดูแลรับใช้ทุกสิ่งทุกอย่างสางปลาก็มาเตรียมพร้อมอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งแล้วราชินีเมยานีสั่งอะไรบอกอะไรกับเจ้าอีกบ้างนอกจากบอกว่าพวกเราจะมาถึงและให้เจ้ามารอคอยอยู่ที่นี่ เช่ฐาค่อยๆตะลอมอย่างใจเย็นเพื่อหาข่าวจากเจ้าสางปลาให้ได้มากที่สุดในสิ่งที่เป็นความลี้ลับอันไม่อาจไล่เลียงได้จากเมยานีพระนางไม่ได้รับสั่งอะไรกับสางปลาอีกนอกจากที่บอกกับนายใหญ่ไปแล้วทรงบอกหรือเปล่าว่าเพราะเหตุใดพวกเราจึงมุ่งมามรกกนครอีกครั้งทุกคนนิงเงียบปล่อยให้เชิฐาป้อนคำถามแต่เพียงผู้เดียว ได้แต่สะดับฟังและสังเกตสีหน้าอาการของสางปลาอยู่เหมือนจะคอยจับพิรุธแต่ก็ไม่เห็นร่องรอยใดๆทั้งสิ้นนอกจากความซื่อตามนิสัยดั้งเดิมของอดีตคนรับใช้ส่วนตัวของมารีฮอร์ฟเมนเจ้าตองสูสันศรีรษะไม่ได้ทรงบอกอะไรแก่สางปลามากไปกว่านั้นแล้วเจ้าก็ไม่มีความสงสัยไม่ได้ซักถามอะไรพระนางเลย สางป้าสงสัยอยากรู้มากกว่านั้นแต่ก็ไม่กล้าที่จะทูลถามใดๆทั้งสิ้นเมื่อมีบัญชามาสางปาก็ปฏิบัติไปตามนั้นก็ดีใจที่รู้ข่าวว่าพวกเจ้านายจะย้อนกลับคืนมาได้แต่นับเวลารอคอยอยู่อืมก็แปลกดีรู้สึกว่าจะมีเล่ห์นรับลมอะไรอยู่ไม่น้อยทีเดียวท่านหัวหน้าคณะรำพึงเบาๆขณะที่พยักหน้าแช่มช้าแล้วต่อมาว่า แล้วองค์จักรราชละ่ะรู้ไม่ว่าขณะนี้ประทับอยู่ที่ไหนแพทยหลวงประจาราชสำนักสั่นรีษะอีกครั้งไม่มีใครรู้ว่าขณะนี้องค์จักรราชประทับอยู่ที่ไหนไม่มีใครเห็นพระองค์มาเป็นเวลาสามเดือนเศษเข้านี่แล้วเฮ้ยอนุชากับชัยยานร้องออกมาพร้อมกันในขณะที่เชฐษฐาและดารินชันกายหูผึ่งขึ้นทันทีหมายความว่ายังไง ที่ว่าไม่มีใครเห็นจั ก, กรราชมาเป็นเวลาสามเดือนเศษแล้วพูดให้ชัดเจนหน่อยสิสังปาดารินอดทนรออยู่ไม่ได้ต่อไปเพราะความใจร้อนยิงคําถามมาทันทีสังปาทำหน้าพิกลเอามือเกาต้นคอกรากกากไม่มีใครเห็นพระองค์หรือรู้ว่าพระองค์ประทับอยู่ที่ไหนในบรรดาข้าราชบริพารเสนาพฤธามาเ ท, ทิ้งหลาย เพราะไม่ได้ทรงออกบาลังว่าราชการแผ่นดินมาเป็นเวลาสามเดือนเศษแล้วขณะนี้ราชินีเมยานีทำหน้าที่เป็นผู้สาเร็จราชการว่าราชการแผ่นดินแทนพระองค์มาโดยตลอดแต่ประชาชนทั้งหลายทั่วไปก็หาได้รู้ในสิ่งนี้ไม่คงรู้กันเองเฉพาะพวกบัรดาอํามาด ร, ราชมนตรีผู้เข้าเฝ้าใกล้ชิดเท่านั้นข่าวนี้เป็นข่าวปกปิดม่ให้แพร่พรายออกไปถึงประชาชนทั่วไป ทุกคนของฝ่ายอาคันตุกะตะลึงพึงเพลิดกันไปหมดด้วยความประหลาดใจขีดสุดยุ่งละสิอะไรกันนี่อนุชาและชัยยันอุทานออกมาส่วนดารินร้องว่าเอ๊ะแปลกมากเกิดอะไรขึ้นนี่จักรราชหายไปไหนเจ้าแน่ใจหรือว่าเจ้าไม่รู้ว่าองค์จักรราชหายไปไหนเชษฐาชะโงกหน้าเข้าไปใกล้เน้นเสียงถามชา้าช้าชัดถ้อยชัดคํา ส่างปามองศสพสายตาทุกคนอย่างเปิดเผยสันสิสาอยู่เช่นนั้นยืนยันว่าส่างปาไม่รู้ใครใก็ไม่รู้ถ้าจะมีรู้อยู่ก็เพียงสองคนเท่านั้นคือองค์ราชนีเมยานีเองและท่านผู้เท่าอรชุนผู้บิดาเท่านั้นไม่มีใครกล้าทูลถามขึ้นถามจริงๆเธอส่างป่าบ้านเมืองขณะนี้ปกติสุขดีอยู่หรือเปล่า หรือมีเหตุการณ์แทรกซ้อนอะไรขึ้นอันเป็นภัยต่อราชบัลลังก์ขององค์จั ก, กรราหรือไม่เรื่องนี้เจ้าน่าจะรู้ดีอนุชาเอื้อมมือมาเขย่าไหลของสั่งปาแผ่วเสียงถามขณะที่จ้องขม็งทุกสิ่งทุกอย่างในมรกตนครปกติเรียบร้อยดีทุกอย่างในกลางเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยไม่มีภัยอันตรายใดๆต่อราชบัลลังก์ ไม่มีข้าศึกศัตรูทั้งภายนอกและภายในจะมาเป็นอันตรายต่อองค์จักรราษได้บ้านเมืองก็สงบสุขราบรื่นทุกประการองค์ราชินีเมยานีผู้เท่าอรชุนแม่ทัพขุนศึกฝ่ายทหารและอำมาตย์ราชมนตรีฝ่ายพลเรือนทุกคนยังจงรักภักดีอยู่กับพระองค์อย่างแน่นแฟ้นไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อย แต่จักรราชไม่ปรากฏพระองค์ออกว่าราชการแผ่นดินมาสามเดือนเศษอย่างที่ส่างปาได้บอกไว้แล้วจะว่าประชวนก็ใช่ที่เพราะถ้าประชวนส่างปาก็จะต้องรู้แล้วเจ้าคิดไม่ว่าเจ้าแผ่นดินผู้ทรงพระเมตตาที่ขุนของเจ้าเสด็จไปไหนเชิดถาซักไซคิดแต่พ้นความคิดของส่างปาแล้วเจ้าไม่สงสัยอะไรบ้างเลยชายยันขโมดคิ้วแทบจะชนกันถามเสียงสูง สงสัยแต่ไม่รู้จะหาคำตอบได้ที่ไหนการที่จักรราชหายพระองค์ไปนานถึงเช่นนี้เจ้าหรือพวกเสนาพฤธามาทั้งหลายไม่มีผู้ใดคิดไปในทางร้ายบ้างหรือพระองค์อาจได้รับภัยอันตรายย่างได้อย่างหนึ่งก็ได้ทำไมไม่สืบหาความจริงออกไปให้ได้ดารินพยายามคาดคั้นปัดน้ทุกคนตกอยู่ในเมฆหมอกแห่งความมึนงงพิศวงไปหมดและเริ่มกระสับกระส่าย พวกเราทั้งหมดวางใจในราชนีเมยานีเมื่อพระนางยังเป็นสุขสมราญปกติดีอยู่ก็แสดงว่าองค์จักรราชไม่ได้ตกอยู่ในภัยอันตรายใดๆทั้งสิ้นอาจมีราชภารากิจบางสิ่งบางอย่างที่ทรงจำเป็นโดยไม่อาจให้พวกเราทั้งหลายทราบได้เมื่อเสด็จกลับคืนมาแล้วพวกเราก็จะรู้เองภายหลังว่าที่เสด็จเรนพระวรากายหายไปนั้นเสด็จไปไหนเพื่ออะไร ทุกคนพวกเราเชื่อแน่ว่าพระองค์ปลอดภัยดีด้วยประการทั้งปวงไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลสางปาตอบอย่างไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจใดๆทั้งสิ้นตรงกันข้ามกับฝ่ายอาคันตุกะทุกคนในยามนี้ประหลาดจริงๆประหลาดมากดารินครางออกมามองหน้าพักพวกทุกคนเหมือนจะขอความเห็นขณะนี้ทั้งหมดใช้ความคิดอย่างหนักในสิ่งที่ได้รับการบอกเล่าจากสางปา เพราะเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันมาก่อนทุกคนย้อนนึกพยายามลำดับภาพไปถึงวันวานที่พบปะกับเมยานีเป็นครั้งแรกโดยเอากองทัพไปดักรอรับอยู่นอกจากสิ่งที่นางแสดงอาการหลีกเลี่ยงไม่ประสงค์จะบอกให้ชัดแจ้งว่าจั ก, กรราชขณะนี้ประทับอยู่ที่ใดแล้วอาการโดยทั่วไปของนางก็ดูแจ่มใสร่าเริงเป็นปกติอย่างบริสุทธิ์ใจมิได้แสดงอาการวิตกกังวลทุกร้อนใดๆทั้งสิ้น และนางก็ยังแสดงให้เห็นว่าปิติสมนั์ขีดสุดที่ได้เห็นการเยียบย่างมาถึงของฝ่ายอาคันตุกะต่างแดนซึ่งเคยมีพระคุณต่อราชวงศ์เทพมาก่อนถึงพวกแม่ทัพในกองทั้งหลายอันแสนที่จะจงรักภักดีต่อจั ก, กรราษไม่ว่าจะเป็นสุกรีวิกรมยุสถิตหรือพระราหทุที่ได้พบปะเสวนากันมาแล้วเหล่านั้นก็ไม่มีผู้ใดสอแววให้เห็นไปในทางร้าย ทุกคนยังให้การต้อนรับคณะของเชษฐาอย่างมิตรต่างแดนอันเคยมีความสัมพันธ์กันมาอย่างสนิทแนบเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือดุดเดิมและสิ่งที่เมยานีปฏิบัติเป็นการให้การต้อนรับอย่างดีเลิศอยู่ในขณะนี้นับตั้งแต่ได้เหยียบย่างขึ้นสู่ถนนพระศิวะนางก็ยังยืนยันอยู่ว่าได้กระทาลงไปภายใต้องการประกาศสิทธิของจักรราทั้งหมด น่งเป็นแต่เพียงผู้รับปฏิบัติตามรับสั่งช่วงใช้เท่านั้นในคณะของเชษฐาขณะนี้ไม่มีใครกล้าที่จะคิดไปในทางอากุศลเกี่ยวกับราชนีเมยานีและขุนพลผู้เท่าอรชุนได้อย่างเด็ดขาดคิดไม่ได้จริงๆแล้วจั ก, กรราชไปอยู่เสียที่ไหนสิ่งที่จะสแสวงหาข่าวได้จากสั่งปาอันถือได้ว่าเป็นคนเก่าแก่ของคณะเดินทางทั้งหมด ยิ่งจะยืนยันในสิ่งที่เมยานีเคยหลีกเลี่ยงที่จะตอบให้เด่นชัดขึ้นเพราะเป็นที่รู้กันเป็นการภายในของราชฐานมรกกนครว่ากษัตริย์จักราธิราชไม่ได้ปรากฏพระองค์ให้ฝ่ายในทั้งหมดได้พบเห็นมาเป็นเวลาสามเดือนเศษแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ย่อมเป็นการแน่นอนสอดคล้องกับสิ่งที่เมยานีให้คาตอบอันเลี่งเลี่ยงหลบหลบอยู่ เมื่อทุกคนถามหาตัวของแงซายหรือจักรราชอันเป็นสวามีของนางเองถ้าเช่นนั้นภายในวันนี้หรือคืนนี้พวกเราก็คงยังไม่มีโอกาสที่จะได้พบเห็นจักรราชใช่ไหมสางปาดารินกล่าวเหมือนจะรำพึงกับตนเองมากกว่าที่จะหวังได้คําตอบใดๆจากแพทย์หลวงประจำสำนักสางปาไม่อาจทราบได้ในข้อนี้เงียบกันไปอีกพักใหญ่ เชษฐาจึงเริ่มสอบความต่อไปเจ้าพอจะรู้ข่าวว่าได้มียานอากาศเครื่องบินนะ่ะของพวกผิวขาวมาตกในเขตแดนนี้บ้างหรือเปล่าสังปทาทำท่าเหมือนจะนึกอะไรออกมาได้ตาเป็นประกายขึ้นสังปานึกออกแล้วมีเครื่องบินใหญ่ลำหนึ่งหลงทางเข้ามาตกอยู่ในมรกตนคร น, นี่จั ก, กรราเสด็จออกไปทอดพระเนตรมันตกอยู่ด้านหลังของปราสาทพระอุมาเทวีนอกเมืองโน่น มีการทำนายพระเสพ์ออกมาว่าการหลงพัดเข้ามาตกของเครื่องบินลำนั้นจะเป็นเหตุให้พรานใหญ่ลพินหวนกลับมาที่นี่อีกครั้งเรื่องนี้ชาวมรกกนครรู้กันโดยทั่วหน้าแล้วหลังจากนั้นไม่นานราชนีเมยานีก็ขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินโดยองค์จักรราชไม่ปรากฏพระองค์ใหราชบริพานใกล้ชิดผู้ใดได้เห็นอีกเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อนุชาผู้นั่งใคร่ครวญหนักอยู่ดีดนิ้วขึ้นโดยแรงถ้างั้นจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับพี่ใหญ่เมียาณีเองก็ดูเหมือนจะย้มแย้มให้เราทราบมาก่อนบ้างแล้วว่าภายหลังจะเครื่องมาตกที่นี่จักรราชก็เพงปฏิบัติกิจอะไรชนิดหนึ่งซึ่งหล่อนยังไม่บอกกับเราแน่นอนว่าเป็นอะไรแต่บอกว่าเพื่อหาทางเหนียวรัง้งชักจงูงทั้งฝ่ายรพินและฝ่ายเราให้มุ่งหน้ามาที่นี่อีกครั้งให้ได้ ผมคิดว่าแงซายอาจไปซุ่มตัวเงียบๆ เ, เพียนปฏิบัติอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าอาดีตพรานชดหยุดไว้เพียงแค่นั้นเพราะเขาเองก็ไม่ทราบว่าจะสรรหาถ้อยคำจำกัดความอย่างใดออกมาพูดได้ถูกเชษฐาปรีตาลงและกล่าวต่อประโยชของน้องชายมาว่าเธอหมายถึงบำเพ็ญศีลเพื่อให้เกิดฌานสมาธิสร้างเป็นอานาจพลังจิตตานุภาพขึ้น ส่งพลังจิตนั้นไปโน้มน้าวชักจูงทั้งฝ่ายระพินและฝ่ายของเราให้เดินทางมาที่นี่อย่างนั้นใช่ไหมจะเป็นไปได้ไหมครับเพราะเงซ า, ายเองก็เป็นคนมีจิตตานุภาพสูงเป็นพื้นเดิมอยู่แล้วนอกจากนั้นเขายังเป็นศิษย์ของมหาฤุษีโกธัญะและตลอดเวลาที่เขาอยู่มรกนครนี่เราก็ยังไม่ทราบว่าเขาได้เพียรฝึกฝนในทางศาสตร์ลี้ลับต่างๆจนก้าวไกลไปถึงไหนบ้างแล้ว แง่ท า, ายไม่ใช่คนปกติธรรมดาทั่วๆไปแต่เขามีพื้นฐานเดิมทางภูมิเกิดของเขาอยู่ก่อนแล้วการที่เขาเร้นตัวหายไปจากภารกิจประจำวันในระหว่างนี้ก็เพราะต้องการหาความสงบวิเวกและชำระจิตตลอดจนร่างกายให้บริสุทธิ์นั่นเองอย่างที่พี่ใหญ่ว่าบำเพ็ญศีนั่นแหละดารินวราริศลอบถอนใจออกมาอย่างโล่งอก บัดนี้หล่อนตระหนักแล้วว่าพี่ชายของหล่อนทั้งสองมีได้งโง่ไปกว่าหล่อนเลยเพราะในที่สุดก็สามารถวิเคราะห์เหตุหาข้อมูลออกมาได้ตรงกับสิ่งที่หล่อนอยังรู้มาก่อนแล้วโดยไม่จําเป็นที่หล่อนจะต้องเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นก่อนใดๆทั้งสิ้นอืมก็น่าคิดอยู่นะและก็เป็นไปได้มากทีเดียวตามที่แกว่ากลางชายันอีกคนหนึ่งที่เริ่มเห็นพ้องด้วยน้อยละ่ะมีความคิดเห็นยังไง พี่ชายใหญ่หันมาสอบถามความเห็นดารินเก็บซ่อนความรู้สึกทุกอย่างไว้ภายใต้สีหน้าวางเฉยบัดนี้รู้สึกปลอดโปร่งเบาใจขึ้นมากแล้วในเรื่องที่ว่าแงาซทรายหายไปไหนก็ยังงงๆคิดอะไรไม่ออกอยู่นั่นแหละค่ะพี่ใหญ่เพียงแต่สรุปได้เดี๋ยวนี้แล้วว่าเมื่อเรามาถึงกลางราชฐานของมรดกนครแล้วเช่นนี้เราพบว่าข้อที่หนึ่งงทร า, ายได้อันตรานหายไปอย่างลึกลับ โดยปล่อยให้เมยาณีว่าราชการแผ่นดินแทนและข้อที่สองยังไม่ปรากฏว่ารพินได้มาถึงที่มรกรนครนี่พี่คิดว่าคําตอบมันคงจะเฉลยตัวเองออกมาในไม่ช้านี้หรอกก็เพราะาระพินยังมาไม่ถึงมรกรนครนน์นะสิแงาซายจึงยังไม่อาจจะละจากสิ่งที่เขากําลังเพียนปฏิบัติบําเพ็ญอยู่เพื่อออกมาพบกับฝ่ายเราได้ เขาอาจกำลังเพ่งพลังจิตเพื่อเปิดทางให้แก่ฝ่ายของรอพินยอยู่ในขณะนี้ก็ได้ภายหลังจากได้เพ่งจนเกิดความสำเร็จทางฝ่ายเราได้ก่อนแล้วพี่ใหญ่คิดอย่างนั้นหรือคะหลอนย้อนถามมาด้วยสีหน้าปกติซ่อนรอยยิ้มไว้มิชิดใช่พี่คิดอย่างนั้นและมั่นใจเอามากๆด้วยแล้วเงยาายหลบไปประกอบพิธีบาเพ็ญศีลภาวนาอยู่ที่ไหนเมยานีจะต้องรู้ดีแต่ไม่ยอมบอกกับเราในขณะนี้ อาจเป็นไปได้ที่แง่สายสั่งห้ามไว้ไม่ให้บอกเพราะเกรงว่าพวกเราจะเข้าไปรบกวนทำลายสมาธิเข้าเสก่อนเพราะความกระหายที่จะได้พบจนกว่าเขาจะชักนําให้รบพินมาถึงที่นี่โดยปลอดภัยแน่นอนแล้วนั่นแหละแง่ายจึงจะปรากฏตัวออกมามันน่าจะชัดเจนแจ่มใสที่สุดแล้วในการที่แกพิจารณาออกมาแบบนี้เชิดามีเหตุผลมากทีเดียว ชา ย, ยันร้องออกมาด้วยเสียงหนักๆถ้าเช่นนั้นเราอย่าเพิ่งเดือดร้อนวุ่นวายอะไรไปก่อนเลยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสียและพักตามสบายอย่างสงบอยู่ยังปราสาทรับรองนี้ไปก่อนค่อยๆใช้ความสังเกตพิจารณาไปอีกสักวันสองวันแล้วรอโดยเหตุการณ์เชษฐาเป็นคนสรุปความเห็นให้แก่พระพวกทุกคนชา ย, ยันนั้นมองสบตาดารินและเอามือลูกคางช้าๆ เงียบเฉยอยู่ลักษณะของเขาเมื่อใหญ่จะพูดอะไรออกมาอีกแต่ไม่ต้องการจะให้สางปาซึ่งนั่งอยู่ในที่นั้นได้ยินด้วยเพราะในดินแดนมรกตนครแห่งนี้ก็เป็นที่ร่วงรู้เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะใช้ภาษาอะไรติดต่อกันก็ย่อมสามารถจะรับรู้รับฟังเข้าใจกันได้ทั้งสิ้นจึงไม่กล้าเอ่ยคําออกมาดารินนั้นไม่มีข้ อ, ขอคลางแคลงใจใดๆอีกเลย หล่อนจึงไม่ได้สนใจอะไรกับสายตาที่ส่งกระแสความคิดของเพื่อนชายส่วนอนุชานั้นนั่งห่างจากสางปลาออกไปทางฝั่งขวามือและอยู่ใกล้ชิดกับน้านอินบัดนี้คนทั้งคู่ซุบซิบอะไรกันครู่หนึ่งอย่างเบาที่สุดแล้วอดีตพรานชดก็ควักไลเตอร์ออกมาเบาๆเป็นจังหวะลงกับพื้นแท่นหินอ่อนโดยทั่วๆไปแล้วก็ไม่น่าจะเป็นที่สงสัยอะไร นอกจากจะเป็นการข้อเล่นๆของเขาแต่แท้ที่จริงมันเป็นสัญญาณรหัสแบบมอ์สข้อความถามไปทางเชษฐาว่าแน่ใจไหมว่าสองคนพ่อลูกเมยานีกับผู้เท่าอรชุนจะไม่ได้ทำการปฏิวัติจักรราชและขณะนี้จักรราชอาจถูกจับกลุ่มคุมขังหรือเสียชีวิตไปแล้วและสางปาก็ได้กลายเป็นคนของเมยานีไปเสียแล้ว มาร่วมมือหลอกลวงปิดบังเราเชทฐางเงี่หูจับฟังเสียงข้อนั้นพอเรียงประโยคได้ก็ใช้นิ้วเคาะตอบโต้ไปในขณะที่ปากก็พูดคุยกับสางปลาไปในเรื่องอื่นๆคนพบพิรุษอะไรในลักษณะท่าทีของสางปลาหรือเปล่าไม่พบพิรุษแต่อดระแวงไม่ได้ ขณะนี้เราไม่มีอะไรจะทำได้ดีไปกว่าที่บอกไปแล้วถ้าระแวงก็อย่าประมาทคืนนี้ให้นอนรวมกันทั้งหมดห้ามแยกและปืนพร้อมใกล้ตัวแต่คิดว่าจะไม่มีอะไรในทางร้ายทั้งสิ้นช่ยยันจับสัญญาณเคาะโต้ตอบระหว่างเชิดาและลุชาได้และเข้าใจตลอดจึงพยักหน้าลงนิดหนึ่งกับเพื่อนทั้งสองอย่างอย่างทราบในข้อสัญญานัดแน สำหรับดารินไม่อาจเข้าใจได้ว่าทั้งสามชายกำลังติดต่อส่งขาวอะไรกันอยู่เพราะไม่ได้เรียนในด้านการสื่อสารชนิดนี้มาและหล่อนก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นคงชวนสางปลาสนทนาซักถามถึงชีวิตความเป็นไปทั้งด้านส่วนตัวของสางป่าเองนับตั้งแต่จากกันในครั้งก่อนนั้นอย่างสนุกสนานร่าเริงเป็นปกติจวบกระทั่งพลค่าภายในปราสาทที่พัก สว่างเรืองรองไปด้วยดวงประทีปวาวลาและโภชนาหารมื้อเย็นถูกจัดลำเลียงเข้ามาอีกครั้งพร้อมทั้งมโหรีดุรยางขับกล่มอมก็ยังไม่ปรากฏวิ่แววว่าจักราธิราชผู้ครองแผ่นดินมรดกนครหรือแม้แต่ราชนีเมยานีจะเสด็จมาปรากฏพระวรากายให้กลุ่มอาคันตุกะได้พบเห็นอย่างท้องพระโรงซึ่งจัดเตรียมเป็นห้องอาหารขนาดใหญ่ อันเพียพร้อมไปด้วยสรรพสิ่งที่อำนวยความสุขความสมบูรณ์เยี่ยงการต้อนรับแขกเมืองอันสูงไปด้วยกิจยศนั้นคงมีแต่สางปาผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนฝ่ายเจ้าภาพอยู่ตามเดิมพร้อมด้วยเหล่าสาวสันกนำนันในและชาวพนักงานทั้งหลายและก่อนที่ทั้งคณะจะออกมาจากห้องพักผ่อนอันจัดไวให้อย่างรู้ราวิจิตรการตาดุดเดียวกับห้องประทับของราชวงศ์ชั้นสูง สุครีกับนายทหารหมู่หนึ่งก็เป็นผู้อัญเชิญพระเสาวนีจากราชินีเมยานีมายังเชษฐาว่าขออภัยที่ไม่อาจจะมาร่วมในอาหารมื้อเย็นกับเหล่าท่านทั้งหลายได้ขอให้ท่านได้รับประทานอาหารกันในหมู่คณะตามลำพังไปก่อนและพักผ่อนให้สบายตลอดทั้งราตรีอรุณรุ่งวันพรุ่งนี้ เราเมยานีจะมาคารวะาเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งข่าวดีสำหรับพวกท่านทั้งหลายเช่ฐายิ้มได้น้อยพยักหน้ารับทราบอย่างสงบแล้วถามว่าสุกรีขณะนี้พวกเราทั้งหลายอยู่ในฐาน ะ, ฉะเฉลยหรือเปล่ารอยยิ้มผ่านไปในแววตาของแม่ทัพหนุ่มอดีตพลพักกู้แผ่นดินในครั้งกระนั้นมีอะไรที่นายท่านต้องระแวงสงสัยถึงกับถามออกมาเช่นนี้ พวกท่านทุกคนเปรียบเสมือนพระญาติอันสนิทของสมเด็จพระเจ้าจักราธิราชและพระราชนีเมญานีแม้ว่าเรายังไม่มีโอกาสที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงมรกรได้ภายในราตรีนี้แต่เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบเห็นเข้าเฝ้าราชนีของท่านแทนไปพลางก่อนแต่กลับปรากฏว่าเมื่อได้เสด็จไปรับพวกเรานามาส่งจนถึงสถานที่นี้แล้ว ก็เสด็จลับหายไปไม่ได้ปรากฏพระองค์ขึ้นอีกเลยสุกรีก้มศรีรษะลงโค้งคำนับอย่างสุภาพอ่อนน้อมพระราชนีเมญานีทรงมีพระราชภารกิจอันสำคัญยิ่งเพื่อจัดเตรียมเกี่ยวกับข่าวดีสำหรับพวกท่านทั้งหลายอยู่จึงไม่อาจที่จะปลีกพระองค์มาพบ ก, กับพวกท่านได้จนกว่าจะถึงเวลาพรุ่งนี้และราตรีนี้ ขอให้เป็นอีกราตรีหนึ่งของพวกท่านตามลำพังโดยเฉพาะโดยฝ่ายราชสำนักมรกรกนครจะมีหน้าที่เฉพาะรับใช้อำนวยความสะดวกสบายให้เท่านั้นก่าเพียงนั้นแล้วสุกรีทำความเคารพอีกครั้งแล้วนำทหารหบูนนั้นผละจากไปเชษฐาหันมายักไหลกับพวกพ้องที่พากันยืนสงบอยู่แล้วบอกว่าเอาละรอให้ถึงพรุ่งนี้ แล้วคงรู้เรื่องเองว่าอะไรเป็นอะไรสำหรับเดี๋ยวนี้กินอาหารกันให้อร่อยอย่างพระราชากันอีกมือ้อฟังมโหรีดูระบำรําฟ้อนของสาวๆชาวมรกรนครไปให้เพลินตาเพลินใจเพื่อนคุยของเราก็คือพระนท่านส่างปาซึ่งนอกจากจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขประจำมรกรนครแล้วตอนนี้ก็ยังทาหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหรือท่านทูต ได้รับมอบหมายให้มาคอยเป็นเจ้าภาพรับรองเราตลอดรายการอย่าไปคิดอะไรให้มันคุ้ยเขวมากเรื่องไปเลยที่นี่ล้วนแต่มิสนิทของเราทั้งนั้นไม่ใช่ดินแดนของศัตรูที่ไหนภายหลังรับประทานอาหารเสร็จและนั่งเดิมสนทนาฟังดุริยางบาลงขับกล่อมอยู่อีกระยะหนึ่งเชษฐาก็กาหนดสั่งให้ทุกคนเข้านอนรวมกันภายในห้องโถงขนาดใหญ่ปูด้วยพรมหนังแกะ อ, อ่อนนุ่ม ภายในยัดไว้ด้วยหญ้าฝรั่งที่ส่งกลิ่นหอมจะรุงใจโดยไม่ให้ใครแยกออกไปนอนอย่างห้องที่จัดไว้เป็นส่วนสัตว์ของแต่ละคนเลยปืนทุกกระบอกได้รับการสกิดเตือนให้นำมาไว้ใกล้ตัวและบรรจุกระสุนพร้อมแม่พวกลูกหาบทั้ง1ิบคนก็ให้มานอนรวมในห้องเดียวกันทั้งหมดและปฏิเสธการเสนอตัวเข้ารับใช้ใกล้ชิดของนางข้าหลวงกำนันรูปงามทั้งหลาย สำหรับคืนแรกอันเต็มไปด้วยเงาแห่งปริศนานี้สาัางพาทุกนันอินกับขยินชักชวนให้มานอนคุยอยู่ด้วยซึ่งมันก็ไม่ได้สแสดงอาการขัดข้องอย่างใดรูปขบวนการนอนจึงมีสภาพเหมือนกับการเข้าพักนอนในระหว่างเดินอยู่ในป่าทุกอย่างแม้จะเข้าถึงราชฐานอันสมบูรณ์เพียบพร้อมไปหมดทุกประการแล้วก็ตาม ดารินนั้นขมวดคิ้วมองดูพี่ชายใหญ่อย่างชงนเพราะไม่ทราบความในมาก่อนว่าพวกพี่ๆมีจุดระแวงอย่างใดแต่ก็ไม่เอ่ยถามให้เป็นปัญหาแล้วชั่วไม่นานทุกคนก็หลับสนิทยกเว้นดารินวราริเพียงคนเดียว